3. ทีคาวุปาสกสูตรว่าด้วยทีคาวุอุบาศก999สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงรัชครืสมัยนั้นอุบาศกชื่อทีคาวุป่วยได้รับทุกเป็นไข้หนักได้เรียกขหะบดีชื่อโชติยะ ผู้เป็นบิดามาขอร้องว่ามาเถิดคุณพ่อขอคุณพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบพระยุคนบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวแล้วกราบทูลตามคําของผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่คาวุอุบาศป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอกราบพระยุคนบาท ของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและคุณพ่อจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานวาโรกาลขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมทีคาวุอุบาศกถึงนิเวศด้วยเถิดโชติยะขะัขหหบดีรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทุลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีคาวุอุบาศกป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียรกล้าวและฝากมากราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรวกาต ขอพระองค์ได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมทีคาวุอุบาสกถึงนิเวศด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังนิเวศของทีคาวุอุบาสกประทับนั่งบนพุทธาฏที่ปูลาดไว้แล้ว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 เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. จักประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. จักประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. จักประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิ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 อันไม่หวันไหวในพระสงฆ์สประกอบด้วยศีและพระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิทีคาวุเพราะเหตุนั้นท่านพึงตั้งอยู่ในเครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้แล้วเจริญธรรมอันเป็นส่วนแห่งวิชาหกประการให้ยิ่งขึ้นไปว่าทีคาวุในเรื่องนี้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 ท่านพึงสำเนียดอย่างนี้แลข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทำอันเป็นส่วนแห่งวิชาหกประการใดที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็เห็นธรรมเหล่านั้นแต่ข้าพระองค์พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงมีความหมายรู้ ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์มีความหมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตามีความหมายรู้ในการละมีความหมายรู้ในการคลายออกมีความหมายรู้ในความดับอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์มีความคิดว่าเมื่อข้าพระองค์ล่วงลับไป โชติยคหบดีนี้อย่าได้ถึงความคับแค้นเลยโชติยะขะาขหบดีกล่าวว่าพ่อทีคาวุเธออย่าได้ใส่ใจอย่างนั้นเลยจงใส่ใจถึงพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้นั้นแลให้ดีเถิดครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนทีคาวุอุบาศกด้วยพระโอวาทนี้แล้ว ก็เสด็จลุกจากอาสนะจากไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานทีคาวุอุบาสกก็ได้ถึงแก่กรรมต่อมาภิกษุหลายรูปพากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งนัที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญทีคาวุอุบาสก ที่พระองค์ตรัสสอนด้วยพระโอวาทโดยย่อได้ถึงแก่กรรมแล้วคติของเขาเป็นอย่างไรอภิสามปรายภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายทีคาวุอุบาสกเป็นบัณฑิตพูดความจริงถูกต้องตามธรรมทั้งไม่เบียดเบียนเราเพราะเหตุแห่งธรรม ภิกษุทั้งหลายเพราะโอรัมภาคะสังโยชน่าประการสิ้นไปทีขาวุอุบาสกจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกทีขาวุอุบาสกสูตรที่สามจบ